ขอความเจริญในธรรมตรงนี้ดท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ร่มระโบธิญาณใ น, นวันนี้ก็คงเป็นการนำเสนอเรื่องภัยคือสืบเนื่องมาจากประรบระรประดํารัตของพระโพธิสัตว์ในสมัยที่ท่านเสวยพระชาติเป็นกษัตริย์แล้วก็เห็นโทษกองกรมะละคะซึ่งเกิดขึ้นแก่ช่างส่งของพระองค์ เราก็จริงมันเกิดครั่งขึ้นมาในคุมไม่อยู่เลยแม้แต่สัตว์โดยขอแก้วก็เอาปันไม่อยู่แล้วทาให้พระองค์ต้องซึ่งอยู่เปนหลังช้างต้องโหนต้นมะเดื่อขึ้นไปอยู่บนต้นมะเดือ่อแล้วก็ทรงเห็นโทษในตรงนี้ก็เกิดความคิดซึ่สะสมต่อเนื่องมาแต่ไม่ถึงก็พูด ในประเทศนั้นเองก็เปล่งพระวจาออกมาว่าเราจัสรูแล้วจะช่วยบุคคลอื่นให้สัตรูด้วยเราพ้นแล้วก็จะช่วยบุคคลอื่นให้พ้นด้วยเราข้ามโลกได้แล้วก็จะช่วยบุคคลอื่นให้ข้ามได้ด้วยหมหาสมุทรคือสงสารนี้มีไพรมากเหลือเกิน เราจะเห็นว่าภัยตัวนี้สาวลึกมาคือภัยจริงๆมันมาจากกิเลสเราเห็นจริงๆคือมาจากกิเลสมนุษย์นั้นที่แสดงมาทั้งหมดเนี่ยเราเห็นว่าชาติภัยทั้งสองชุดที่ส่งแสดงมันก็เป็นผลพูกมาจากกิเลสแล้วก็กิเลสนั้นก็เป็นเอธธรรมกรร ม, ม ก, มกรรมผลของกรรมก็กลายเป็นกระบวนการแก่จะตายนั้ น, นสืบเรื่องมาจากเกิด นี้ออก็อักขีภัยอุทกับภัยราชภัยโจรภัยมั่นก็เป็นเรื่องของกิเลสคือความโลภหลมของมนุษย์ความประมาทขาดสติของมนุษย์เรื่องไม่ควรเสียก็ต้องเสียเรื่องไม่ควรอวดเอาไปอวดเพรก็เกิดเป็นปัญหาอะไรเยอะที่เราถ้าศึกษาให้ดีเนี่ยเราจะเห็นว่ามาจากตัวคนนั้นเป็นประการทําคัจ เราอย่าลืมว่าผลเกิดขึ้นในที่ใดในเหตุก็มาจากคนนั้นแหละเพียงแต่ว่าเราจะยอมรับเพตุหรือไม่กันนั้นเองมันมีภัยอีกชุดหนึ่งเป็นเรื่องของสังคมแล้วก็เป็นเรื่องของสังสารวัตด้วยเนะียฮะประการแรกเขาเรียกอัตวาทุวาทภัยภัยที่เกิดขึ้นจากการรู้สึกผิด แล้วก็ตาหนิตีเตียนตัวเองคือตัวเองนั่นแหละติเตียนตัวเองรู้สึกผิดแล้วก็ฝังใจปักใจว่าตัวเองมีส่วนร่วมไม่เกิดปัญหาอย่างนั้นอย่างนั้นขึ้นมาแล้วก็สลัดความรู้สึกตรงนี้ออกไปไม่ได้วิธีการเหล่านี้เป็สังเกตว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงเรื่องกฎประปะที่แปลความสะดุ้งกลัวตอบาปะมันเน้นไปที่ตัวผลของบาป ตัวบาปนั้นเนมะื่เกิดความละอายเกิดดังเกียจขยะแขยงไม่ต้องการจะแตะต้องแต่ ต, ตัวผลของบาปนั้นที่จริงแล้วเนี่ยตัวอาการของบาปหรือผลของบาปนะฮะทั้งอาการที่ทําออกไปพูดออกไปหรือแม้แต่คิดบาคนที่มีความประนีตแต่บางทีคิดก็ละอายแก่ความคิดมันคิดว่าโอ้คนอย่างเราไม่น่าจะคิดอย่างนี้แหล ก็แสดงเห็นว่าจิตใจของท่านมีความระเบิดละไมลึกซึ้งลึกเอิญคงค า, ายไปเก่แต่ก็ควบคุมได้จากถึงความคิดมีการกระทาเป็นนั้นมากที่เมื่อเราทําไปแล้วเราเองมาตํทำดีตัวตัวเองได้แต่ว่ามันต้องมีจิตสมมึกดีหน่อยนะเพราะอะไรเพราะว่าคนทุกวันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่ากลัว เราไม่ต้องมองดูเรื่องชาวบ้านชาวบ้านเนี่ยนะเรามองดูระดับรัฐสภาระดับรัฐรัฐบาลรัฐสภาเป็นคนที่ผ่านการการกองมานะจากจานวนเท่าไหร่ก็ไม่รู้ก็เหลือแค่สามร้อยกว่าคนเนี่ยคือนึกว่าคนเหล่านี้เป็นคนที่สังคมเลือกสรรมามันน่าจะทรงคุณภาพทรงคุณธรรมมีความรับผิดชอบสูง แต่ว่าตอนข้อพิปลายกี่ครั้งกี่ครั้งเนี่ยมันฟอเลยคือเราเห็นม่ามุ่งแต่ชะนะกันเท่า น, นั้นเองแล้วก็อธิบายได้ทุกเรื่องทงั้งๆนี่มันผิดไม่เลยมีกฎมีเกณฑ์มีหลักเกูหมดไม่มีหลักเกณฑ์อะไรเลยแล้วก็ทำใ้สังคมก็เกิดเบื่อหน่ายกิจกรรมต่างๆของบ้านเบื่ เพราะว่ามันเป็นการแสดงอาการของกิเลสอาการโรธมากเกิดไปแต่ว่าเป็นอะไรคือท่านเหล่านั้นไม่ได้รู้สึกติเตียนตัวเองเลยไม่ได้รู้สึกผิดนั้นเราเห็นว่ายติในการพิปรายรัฐบาลคราวหนึ่งเมื่อย้อนเข้าไปแถวสามเก้าอันนั้ อาตาบ้าอ่านแล้วสยองมากเลยขนลุกเลยโอ้โหมนุษย์ตันกล่าวหากันขนาดนี้เหรอคือ <c oughs> ถ้าคนเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยไม่มีสิทธิแม้จะเป็นคนนะมันไม่แช่ต้องมามีสิทธิเป็นนายกรัฐมนตรีอะไรจะแสดงว่าไอ้จิตสำนึกที่จะติเตียนตัวเองเนี่ยมันมันหายากมากโดย๋ยวนี้มันมีภาษาอย่างหนึ่งที่เรานยิายมใช้ก็คือว่าเรื่องนี้ผมอธิบายได้ อธิบายมาันอธิบายได้ทั้งนั้นแหละสมัยสมาเป็นเด็กมีคนคนหนึ่งเขาเรียกว่ารู้สึกว่าอะไรนะชื่อดำคางเหล็กคางเหล็กคื อ, ค, อคือแกไม่รับอะ่ะแกทำผิดอะไรนี่แกไม่รับแกไปขโมยโคของตำรวจจับได้เรียกว่าค่านางค้าเขาเลย แกบอกว่าเราผมไม่ได้ขโมยนะเนี่ยผมเดินเดินผ่านมาเห็นเชือกมันวางเอาไว้ก็เลยก็หยิบไม่ได้เนื้มันจะติดโค ม, มาด้วยอธิบายได้อนะไรฮะเจ้เหตุผมฟังได้หรือไม่ล่ะเพราะการจะติเตียนตัวเองได้เนี่ยมันต้องมีจิตสำนึกสูงเขาเรียกว่ามีฮิริโอตปะอยู่ภายในใจสูงเราผิดเราก็มีสิทธิผิดได้เราก็ทำหนีติเตียนตัวเองได้ ต้นแนวของพระพุทธเจ้าที่ทรงวางในรูปศีลเลยเห็นว่ากับชาวบ้านนั้นไม่ถึงกับเข้มงวดแต่ถ้าพระนั้นเธอต้องระลึกได้นะฮว่าเธอผิดเธอก็ต้องผิดแล้วเมื่อผิดเธอก็ต้องสรารภาพความผิดเครียกแสดงอาบัติรัน์พระจึงกาหนดให้มีการแสดงอาบัติและลักษณะการแสดงอาบัติเด่ค่อนข้า ง, างกระจุกกระจิง น่าคิดน่านาไปใช้ในชีวิตของคนอา บ, บัตินั้นที่จริงก็มีอยู่เจ็ดเรียกเาเจ็ดกองกับหมายกว่ามาเจ็ดระดับนะโทษเจ็ดระดับด้วยกันอา บ, บัติประเภทแรกเป็นโทษหนักสี่ประการถ้าใครละเมิดต้องสึกเองเลยเพราะสึกหรือไม่สึกก็คือหมดสภาพความเป็นพระแล้ว อ, อีกอีกชุดหนึ่งเนี่ยเก้าข้อแรกนี่ก็ต้องอบัตในขณะนั้นอีกสี่ข้อหลังเนี่ต้องผ่านกระบวนการไปก่อนเราจึงต้องอบัตมันจะต้องทําตัวให้บริสุทธิ์ตามกรริธีที่พี่นายกำหนดเอาไว้แต่อับบัตอีกห้าข้อเนี่ยก็จะเห็นว่ามันไม่มีใครรู้ว่าท่านทาผิดหรอกแต่ท่านเองต้องรู้แล้วก็ไปแสดงอบัตก็ เ, เรียกกระทําคืนอบบัต อีนี้อาบัตมันจะมีอยู่สองลักษณะลักษณะหนึ่งเป็นโลกวัตรชัคือความผิดทั่วทั้งโลกไอ้ น, นี้แสดงก็ไม่พ้นบาป น, นะแต่ว่าพ้นจากอาบัติจำนวนการไปฆ่าสัตว์ไปลักทรัพย์ไปประพฤติผิดทางเพศอะไรต่ออะไรเนี่ยคือหมายความว่าถ้าแรงขนาดนั้นแล้วเนี่แสดงไม่ได้คือไม่พ้นบาปแต่ว่าอาบัตเหล่านั้นมันมันลดหลั่นลงมาเช่นสมมติเราตกยุงตายเนี่ยที่ยิ่งบาปจะตบยุง ม, มันไม่พ้นหรอก เพียงแต่ว่าในแง่ของวิญัยเนี่ยก็ถือว่าค้นจากโทษตรงนั้นท่านท่านก็จะสารภาพว่าท่านครับผมกลอวอาบัตยังนั้นนั้ น, น, นก็ให้รายละเอียดไปองค์ที่รับทราบก็ถามมาท่านเห็ว่าเป็นความผิดหรือเปล่าองค์ที่แสดงบอกว่าผมเห็นว่าเป็นความผิดครับองค์ที่รับแสดงมั่งบอกไม่เป็นไรครับตั้งใจสำรวมระวังต่อไปก็แล้วกัน องค์ที่แสดงก็บอกว่าครับครับครับไอ้ครับสามครั้งในจริงยุ่งยุ่งเหมือนกันเนี่ยนะมาสังเกตมานานนะถ้าคนครับหลายคําในเชื่อไม่เคยได้บาลีกําหนดภาสาทูสุตุปันเตสางวริสาม่สัทวุสุตุปันเตสางวริสามสัทวุสุตุปันเตสังวริสาไมิครับตีแล้วครับผมจะตั้งใจสำรวงต่อไปก็ซ้ำสามคํามื่ก็นึกถึงครับครับสามคำเนี่ยแต่นั้นคือแสดงว่าท่านติเตียนตัวท่านได้ ประการที่สองนั้นเขาเรียกว่าปลานุวาถไพรคือภัยซึ่งเกิดขึ้นจากการตําหนิติเตียนของคนอื่นแต่ว่าการตําหนิติเตียนคนอื่นมันก็มีข้อแม้อยู่เหมือนกันนะบางครั้งเนี่ยเราก็คงไปให้ความสาคัญอะไรมากไปได้เพราะว่าคนเนี่ยมันติเตียนได้ทางนั้นเลยอาตมาเป็นพระเอง ทำงานก็ตามทำตามวิไในตามคำสอนในศาสนาเนี่ยนแะนีหลายครั้งที่เราโดนบัตรสนเทศด่ามาเป็นปุ้งป้งเลยอย่างในกรณีที่เกี่ยวกับชี้แจงปัญหาเรื่องคริสนี่ก็โดนอนะ่ปะปัญหาเรื่องสันติอโศกนี่ก็หนักเรื่องยันตระนี่คนเขาดึงเข้ามาเฉยๆโดนด่ายเยอะมากันเราก็เงย ม, มารู้เรื่องไงก็เราไม่ได้เกี่ยวอะไรเลย แล้วเราเองก็พยายามที่จะผลักดันให้เขาพิสูจน์ตัวเองแต่เราไม่มีอำนาหน้าที่อะไรมันก็พูดกันเป็นการภายในแต่คนก็ดึงเข้าไปเราก็แพ่แต่เมตตาแต่เเราไม่ว่าอะไรแต่ว่าคนที่ติดเตียนรามองที่ตัวบินอยู่ชนต้นหลักการในพุทธศาสนานั้นท่านมองที่ตัวบินอยู่ชนคือนักปราด เพราะคนพานเนแหมมันมันเอาได้ทั้งนั้นเลยคือไม่ไจะว่าอย่างไงบางทีนี่ว่าไม่ได้เรายกตัวอย่างนกัการเมือนสองคนเนี่ยคุณบรรหารกับคุณสมัครเนี่ยถุกด่ามาตลอด แ, แม้แต่คุณทวนเองลองสังเกตนะไม่ได้ฟูดตรงความประพฤติไม่ดีของท่านเหล่านี้มาเลย คุณบัญหาลก็พูดถึงถึงเตี้ยถึงสั้นถึงห้าสั้นไม่ น, นี่เกี่ยวอะไรเลยากับการทํางานการเมืองของท่านเนี่ยคนเตี้ยอย่างท่านก็มีนะฮะติ้งเสี่ยวเหิงก็เตี้ยนะบนเรียนนี่เตี้ยใหญ่เลยนะพระนางเจ้าวิกตอเรียนี่เตี้ยนิดเตียวอะมาเคยเห็นเตี ย, ยงท่านสลยซ้สั้นนิดเตียวเห็นมันไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยแต่คนพาลมันก็หาเรื่องด่าจะได้คุณสมัครใอะไรก็จะหมูกชมพู่เลยเลย ไม่เกี่ยวอะไรเลยนะคุณชัวในรูปแม่ทวดไปด่าถึงแม่เขาไม่ได้เคยบอกว่าเขาทําผิดอะไรเขาขอรับชั่นเขาโ ก, กงกินอะไรไม่ได้บอกนะแล้วก็ไปด่ารูปร่างเขาคือแสดงว่าคนพานเดี่ยวนิยายเลยไม่ได้เลยตรงนี้ที่เรียกว่าภัยซึ่งเกิดขึ้นจากการตำหนิตนิเตียนของบุคคลอื่นท่านจะมองไปที่ตัวบินอยู่ชนคือคนดีก็าตำหนิ เพราะอะไรเพราะคนดีนั้นจะตําหนิโดยมีเหตุผลมีปัญญาเปนิพิจานาแล้วก็เมตตาต่อคนที่ท่านตระหนึกนี่นเหมือนกับเราตทำหนีลูกศิษย์เราตําหนี้ญาติพี่น้องของเราในเรื่องบางเรื่องตําหนีเพื่อนในเรื่องบางเรื่องเนี่ยเราตทำหนีเขาด้วยความรักเราไม่ได้เกลียดไม่ได้สร้างอะไรเขาแต่ว่าการกระทำของเขานั้นจะมีปัญหาเราก็ตําหนีเราก็ทุงนจริงเราก็ให้สติ ผลลัพ ก, การของเงินยูชนเนี่ยทันจทงแสดงว่าใช้ปัญญาพิจารณาเทียบเคียงโดยรอบคอบแล้วตำห น, นิคนที่ควรตำหนิเมื่อเห็นเขามีการกระทําที่ควรตเด็ิพิจารณาเทียบเคียงโดยรอบคอบแล้วยกย่องคนที่ควรยกย่องเมื่อเห็นเขามีการกระทํำที่ควรยกย่อง ใช้ปัญญาพิจารณาเทียบเคียงไปรอบคอบแล้วนับถือบุคคลที่มีการกระทําการพูดที่ควรแก่การนับถือผลภัยที่เกิดขึ้นจากบัณฑิตเนี่ยฟังได้แล้วแก้ปัญหาได้แต่ว่ามีข้อแม้ว่าเราเองเนี่ยมีใจกว้างพอไหมถึงจะรับฟังบัณฑิตเพราะท่านจำเนีท่านทึ้งติงท่านท่านปราบเนี่ยก็แสดงท่านไม่ตาเราเราก็หาประโยชน์จากท่านได้ พระพุทธศาสนานั้นถือว่าการชี้แน่ของบัณฑิตนั้นเหมือนการชี้บอกขุมทรัพย์ให้การชี้บอกขุมทรัพย์ให้เองนะบางครั้งบางคราวแม่ไอคนที่เราชี้ให้ไม่ยอมไปอาจจะต้องสุดกระชากลากพาไปอาจจะต้องทุบตีผลักใส่ไปเพื่อเขาได้ขุมทรัพย์ก็ทําแต่แว่าทั้งหมดนั้นเป็นกุศลเจตนาเป็นเมตตาจิตที่บัณฑิตท่านทําต่อคนซึ่งท่านมุ่งดีปรารถนาดี เมเ น, น, นตีิเตียนตัวนี้เราเห็นว่าแม้แต่พระพุทธเจ้าเองเนี่ยก็ทรงตําหนิที่เตียนแล้วค่อนข้างแรงรักษาไว้เลยดูก่อนอนน์เราจักกนาบแล้วกนาบอีกใครมีสาระก็ตั้งอยู่ได้ไม่มีสาระก็ออกไปคือไม่ได้แคร์าศาสนกแต่เมื่อเธอเข้ามาสู่พระธรรมอินทร์แล้วเธอต้องอยู่ในกฎเกณฑ์และเบียบแบบแผนของาศาสนาตรงนั้นนั่นคือวิญญาณ แต่ตามปกติตอนต้นๆเนี่ยคนจะไม่ชอบแต่ตอนปลายนี่จะเกิดสำนึกขุนนั่นคือแนววินยุชนเพราะงั้นการมองให้ความต้องการแกว่วินอยูุ่วนจึงมีความจำเป็นแต่ว่าคนสมัยนี้บางทีเขาไม่แคร์นะถ้าไม่แคร์ก็ไม่ไปจะว่าอย่างไงเหมือนกันเราเห็นว่าอย่างสมมติว่าพระกันทุ้งติ่งอธิบายชีย้แจงเช่นว่าชี้โทษซึ่งจะเกิดขึ้นจากการกระทำอย่างนั้นในภพชาติต่อไปก็ตกนรก หรือว่าผลความดีที่จะได้จากการกระทำเดียวกันอย่างั้ น, น, นต่อไปเป็น ง, งเกิดในสุกติโลกสวรรค์เขาหาว่าพระเอานรกมาขู่อสวรรค์มาล่อมีเยอะนะคนพูดอย่างเงี้ยโดยเขามไม่ได้คิดว่ามีความจําเป็นอะไรจะต้องไม่ทําพระไม่ได้สอนคําสอนของพระและไม่ได้สอนเพื่อพระนะคือถ้าคนมาอยู่ในวงการตรงนี้แล้วจะมีความชัดเจน คนทำงานด้านเผยแผ่เขาไม่ได้ทําเพื่อตัวเขาเขาทำเพื่อผู้รับฟังข้อมูลข่าวสารส่รงนั้นแล้วก็ทําเพื่อประชาสนาก็าทําตัวเป็นเด็กรับใช้ประชาสนาเท่านั้นเองอย่างแม้นในโครงการที่สถานีวิทยุพนหนึ่งซึ่งดํานินที่เริ่มขึ้นมาตั้งแต่วันที่หนึ่งมกราเนี่ยก็ดูอ่านแตเอกาสารแล้ว ก, ก็มุ่งหมายลักษณะอย่างนั้น ที่จะหาพระหาพุทธศาสนิกชนที่มีความเคารพหนักแน่นในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาเผยแผ่ธรรมะแก่สาธุชนและท่านเหล่านั้นก็ต้องดิ้นรนขวนขวายเพื่อมาช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการดำเด น, นินง า, านตามสถานีเองถ้าเราเที่ยวกับที่อื่นนะฮะมันก็คิดค่าใช้จ่ายไม่แพง แต่ว่าโครงการศาสนาบางโครงการบางสถานีแต่ระยะไม่มากเนี่ยเขาก็ไม่ได้คิดค่าอะไรก็มีเป็นกันแ้วก็หมายความว่าเป็นภารกิจที่จะต้องช่วยเหลือคือกุลกันแต่ไปงานก็ดำเนิน ง, งานอะไรไม่ได้รแร้วดังนั้นมีมีาณชนเนี่ยจึงเป็นถือว่ามีบทบาทสำคัญ ที่มาของพระพุทธธรรมรัตที่บอกว่าคนไม่ถูกยินทาไม่มีในโลกเนี่ยมันมาจากเรื่องเรื่องหนึ่งคื อ, อบาศกคนหนึ่งเชื่อตุละอุบาสกท่านชวนพวกพวกมาฟังเทศในสนักของพระเรวัตตซึ่งเป็นน้องชายประสารีบุตรแต่พระเรวัตตนั้นท่านอยู่ป่าปรนนานสิบสี่ปีแล้วก็ออกอย่างนิโรธสมาวัติใหม่ท่านก็ไม่พูดด้วย โกรธหาว่าพระขอให้เทศก็ไม่ยอมเทศด้วยก็ไปบอกภาษารีบุตรพ้องภาษาลีบุตรซึ่งเป็นพี่ชายภาสารีบุตรก็เทศเฉยๆให้น้องชายก็เทศเียยาวเหยียดเลยโกรธอีกหาว่าเทศมากไปใครจะฟังจับประเด็นได้รู้เรื่องเทศก็ยากด้วยกไปหาพระานนท์ก็บอกเรื่องพฤติกรรมของพระอาหารอีกสองลูกที่ว่าเนี่ยพระานนท์เลยไม่รู้จะไปไหนเลย เลยก็เทศพอขวนพอประมาณเพราะไม่พูดแกก็ด่าแล้วพูดมากแกก็ด่าแล้วก็เทศเทศคงประมาณคงไม่ถูกด่านะพอเลิกด่าอีกแล้วเทศอะไรว่ากำลังฟังเพลินนีจะท้องจะร่วงจะปากเจือเทศได้มากกว่านี้หน่อยไม่ได้เจอเือยกพวกไปฟ้องพระพุทธเจ้าเล่าเรื่องพฤติกรรมของลูกศิษย์พระพุทธเจ้าทั้งสามรูปไปฟังพระเจ้า ไม่เทศอะไรเลยนะฮะเพราะไม่รู้จะไปไหนแล้วลอ่ไปไม่ได้นะกระสับกระสัง ม, มันธรรมดานะาตุละนะคนในมันติได้แต่นั้นแหละคนติคนที่ไม่พูดก็ก็ติได้คนที่พูดมากก็ก็ติคนที่พูดพอประมาณ ก, ก็กติก็คนที่ไม่ถูกติมันไม่มีหรอกในโลกเห็นไหมถ้าเรานื้อใหกับคนผ่านแล้วก็เลิกพูดกันเลยแต่ในที่นี้ท่านจะมองไปที่ตัวของมิญูชน ประการต่อไปนั้นก็คือทันตะยพคือภัยที่เกิดขึ้นจากอาญาแผ่นดินตรงนี้ที่จริงมันเป็นโครงสร้างนะเป็นโครงสร้างของการพัฒนาจิตใจให้มีฮิริโอตปะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือโอตปาะนี่เป็นหลักแล้วถ้าเราใหความสำคัญทั้งหมดเนี่ยทั้งสี่ข้อได้เนี่ยโอตปะมันจะเกิดขึ้นเป็นหลักจิตเป็นมโนธรรมจนึกอยู่ภายในจิตใจของคนแต่ว่า ตัวเนี้ยที่ทิ้งทันตะไพคือภัยจากอาญาของบ้านเมืองซึ่งจะถูกถูกจับกลุมคุมขังลงโทษเดี๋ยวลองสังเกตนะฮะว่าเดี๋ยวนี้มันกลายเป็นวงจรที่ยากต่อการแก้ไขอาญากรรมต่างๆเป็นอันมากเลยฮะตัวเป้ ง, ปงๆจริงๆนี่ลอยนวลนี่ได้แต่ตัวที่ถูกจับกลุมคุมขังกลายเป็นก็เรียกอะไรปราซิวปซสไซคนไม่กลัวอาญาแผ่นดินเพราะว่ามันตัดตอนกันอุตลุตต่ไปหมดเลย รู้แสนรู้นะฮะคนนั้นทําอะไรทําอะไรนะแต่ว่าจับได้จับไม่ได้ไลน์ไม่ทันในแง่กฎหมายเนี่ยมันทําอะไรไม่ได้แต่ในแง่าบาปกรรมแล้วคนเหล่านั้นก็ต้องประสบบาปกรรมในตัวเขาเองเพราะความคิ์ในศาสนารบางเรื่องเนี่ยท่านก็ต้องปล่อยให้เป็นไปตามกรรมไปถึงคราวหนึ่งกรรมทํางานแล้วคนเหล่านั้นก็จะหนีกรรมไปไปรอดลรอกภัยที่ต้องจรงหนัก เป็นพิเศษนั่นคือทุกติภัยคือภัยที่บังเกิดในทุกติเป็นหลักการสาคัญที่จะเสริมสร้างให้อดตะปาคือความสะดุ้งกลัวต่อบาปที้บังเกิดขึ้นแล้วหนักแน่นมั่นคงภายในจิตคนต้องกลัวนรกนะเพราะอะไรเพราะนารกนั้นยุติธรรมที่สุดเลยตรงเนี้ยทั้งหมดเนี่ยตนเองบางชีก็ไม่ยอมรับผิดก็ติเตียงตัวเองไม่ได้ พอวินยชนท่านดำหนินที่เตียนขึ้นมาก็ไม่แข่ที่อย่างหนึ่งทาอะไรแกไม่ได้เลยอาญาของแผ่นดินแกมีเงินแกให้สินบนแกจ้างคนรับผิดแทนแกไปฆ่าตัดตอนโอตายเลยทําอะไรไม่ได้กว่าผลกรรมจะให้ผลเนี่ยแกก็เสวยสุขไปเยอะเลยแต่เราไม่เคยได้ติดตามนะฮะที่จริงพวกนี้ก็อยู่ไม่ค่ยนานเท่าไหร่แล้ว พการการความภัยในนรกเป็นเรื่องที่ลงตัวเพราะนรกนั้นเป็นกระบวนการของกรรมที่มีความชัดเจนคือกรรมเป็นผู้น่วงเหนียวไปสู่นรกพระเจ้าทรงใช้คำว่าน่วงเหนี่ยวไปสู่นรกแค่แคๆกระจุดคร่าไปสู่นรกเนี่ยคือถ้าทํากรรมอย่างนี้แล้วเนี่ยเราอาจจะหนีปัจจุบันนี้ได้นะแต่ว่าหนีนรกไม่ได้ เพราะอะไเพราะว่านารกนั้นมันเราย่าลืมนะฮะว่าสิ่งที่นําชีวิตคนไปสู่สังสารวัตคือกิเลสกับกรรมตัวกรรมเป็นตัวนำํำตัวกรรมเป็นตัวสร้างปฏิสนธิวิญญาณจะให้ไปเกิดที่ไหนเพราะฉะนั้นเมื่อกิเลสมันหยาบขนาดนั้นก็แสดงว่ากรรมมันยาบกรรมมันยาบวิญญาณมันก็หยาบวิญญาณมันก็ยาบพุ่มจิตมันก็ยาบพู่ิจิตพบอยาบพบที่อุบัติก็อยาก เราจรึงพบพระพุทธดารัสที่ทรงแสดงถึงโทษบาทต่างๆที่เกิดขึ้นจากการทำความชั่ว อ, อกุศลทุจริตทั้งหลายในี่จึงฆ่าสั์ลักษร์เป็นต้นเนี่ยนะครับในข้อสุดท้ายนี่จะทรงแสดงว่ากายสสะเพดาปรนมนาทุกกติงวินปปาตังเนื้อยางอุปปัชชิติหลังจะตายไปแล้วจะบังเกิดในทุกกติบินิบาตรรกอสุรกายอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งก็หมายความมาถ้าเราเชื่อตรงนี้ได้ตรงนี้ลองสังเกตว่ามันเป็นปัญหาศีลธรรมแล้วเป็นโทษที่มันเกิดขึ้นจากอาการของกิเลสถ้ากิเลสเรามากหรือเปล่าถ้ากิเลสเรามากเราปฏิเสธหมดแต่ถ้ากิเลสรงน้อยคุณธรรมรามากมันก็กลายเป็นมโนธรรมคือกลายเป็นโดยฮิริอตปาปะตปปะนั่นก็เป็นเงินใจเป็นหลักใจเป็นกลุคคล่คุ้มครองคุ้มครองใจของคน ให้มีประสิทธิภาพไปมีประสิทธิผลสามารถต้านทานกระแสบาปอกุศลได้เองโดยอัตโนมัติทั้งนองคล้ายๆกับภูเขาศิลาแท่งทึบมันต้านทานต่อกระแสลมซึ่งพัดผ่านมาจากทิศทั้งสีได้ไมนเด้งทั้งฝั่งทั้งไหลใต้ร่มพระโพธิญาณในวันนี้ข อ, อยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบุญในธรรมต้อมีแต่ท่านฝั่งทั้งหลายโดยโทั่วกันสวัสดี